คือถึงตัวการงานพูดภาษาพร ะ, ระ ก, ก็คือมีสมาธิที่จะทำงานทำการและถึงตอนนี้พระพุทธเจ้าตรัสอะไรก็ขอรวบรัาอีกว่ามีกึ่งคถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักประจำเป็นประโยคเริ่มต้นคาถาสรุป ค, คำสอนสำหรับชาวบ้านที่ทำงานทำการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อชีวิตที่ดีมีความสาเร็จลุจุดหมายในโลกนี้ กึ่งคทถานี้คืออุทษาตากรรมเทยเยสุอัปมาตโตวิธานวาแปลว่าขยันในการงานไม่ประมาทฉลาดจัดการขมวดให้จำง่ายว่าขยันไม่ประมาทฉลาดจัดการความจากพุทธพจน์นี้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 ความขยันหมั่นเพียร น, นี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นไม่เพียงเป็นองค์ของความสาเร็จแต่เป็นข้อระลึกอ้างอิงสาหรับความภาคภูมิใจและความสุขในชีวิตแห่งการงานด้วยดังที่ทรงย้ำเป็นประจำในคำสอนสาหรับหรรค์ว่ามีโภคะซึ่งหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมขึ้นด้วยกำลังแขนอย่างอาบเงือต่างน้าซึ่งเป็นของชอบรมได้มาโดยธรรม